อ่านดูปฏิปทาก่อนเราคงคนเขียนเองแล้วก็ไปอ่านโจทยหลายโจบแล้วอ่านแล้นดูดูเจ้ารถใครเป็นๆมามาอะไรเลย่ยังกากงไหนมามื่อไหร่ร่งเมือดาน้าดูที่นี่กมไม่ยินมาเวลาเมื่อไ ผมกำลังบอกอดทีไรถ่ายเพื่อเป็นเวลาฉันถ่ายไม่มีมันแสดงว่าท้องมันเสียแล้วต้องพดายามหยุมาท่านน้นรรษาเพิร่วงไปแล้วกำลังอดให้ารรษาที่เจ็บนะมันไมไอด้ท้องมันไม่อมเวลาอดมันไม่เป็นไรท้องแต่พอเริ่มฉันอันนั้นฉันเทาไรก็ถ่ายออกหมด ผ่านไปเป็นเวลาหลายหลายวันเลยก็ทราบสียองวันทอ่องเสียแล้วคัวอยุคุณฟ้าแก่ก็ควรยังะมักระวังเมือหเจ้าของต้อเกบตัวเองวันไม่ถูกกับเจ้าของของายาุแต่ส่วนมากการอุทธหารถูกการที่เราจะหาของดีวิเศษ ดังจองปราดทั้งหลายท่านสะเสียนหานความรู้สึกในเนี่ต่างๆตลอดกิริยาการแห่งการกระทำของเราต้องผิดปกติธรรมดาทุกอย่างไม่ฉะนั้นไม่เจอจะเป็นนิสัยใดก็ตามมีเข้าใจว่าต้องมีหลักมือ ถึงจะได้เห็นเพื่อเห็นลาเห็นเคล็ดลับของสิเ็ศประเภทใดบ้างทุกวรนจะทำให้หนักเบามือขนาดไหนขนาดเรานีมันแต่ว่าเราหยาบมันก็ทุกเราก็ยอมละเราหยาบทำอย่างธรรมดาไม่ได้มันต้องมีผลเป็นส่วนมากทีเดียว ผลอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็ปรากฏนี่มันทำให้ให้หยุดไม่ได้ถ้าทำธรรมดาไปเหมือนตัวทั่วไปมันไม่ได้เรือถ้ขท่านสงบมันก็ไม่สงบให้ถ้าเอาหนักมือเข้าไปมัดเข้าไปมัดเข้าไปมัน ติดกสงบก็แสดงว่ากีเลสนี่มันรุนแรงความเปียนไม่รุนแรงไม่ถันไม่ถึงมาเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกอยู่ในตัวถึงขั้นสงบนี่ก็แถบร่วมแถบตายถึงสงบได้ปัญญาก็อีกเหมือนกันแต่ปัญญาคิดว่าจะไม่เหมือนกันกกตัวผู้ลายไป ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติที่จะผ่านพ้นทุกข์ไปได้ไม่ปรากฏมีปัญหามีเหตุการณ์เรื่องอะไรให้ใด้ใช้ความคิความปนึกคิดเสนอแก้ไขถอดถอนเลยนั้นเราไม่เราไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ผู้มีปัญหาใดๆเลยแล้วผ่านไปเรื่อย นอกจากทิดปาปัญญา ท, ที่รู้ได้เลยอันนั้นดกไว้แต่ธรรมดาทั่วไปนี้ยังไงก็จะต้องเติมปัญหาที่จะให้ขุดให้ค้นให้ฟาดปันกันหันแหลกกันลงไปหลายแหนหลายกระทงจนเป็นเหมือนธรรมตักมันถึงเป็นไปได้ ขั้นปัญญาล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสมาธิจะต้องมีสติบังคับไม่มีสติเผลอเมื่อไรจิตต้องปรุงออกเมื่อนั้นความปรุงออกของจิตนั่นแหละเป็นภาพเป็นเรื่องราวหลอกเจ้าของให้หลงเพลินไปตามเงานนั้ตัวจริงมันปรุงอยู่ภายในจิตแต่เงามันออกมาแสดงหลอกตัวเองอยู่ภายนอกแล้วก็เพลินไปตามเงาทั้นเสียนี่ร้อยทั้งน้อยต้องเป็นอย่างนี้นด้วยกัน ผู้ปฏิบัติถ้าไม่ทราบอย่างนี้แล้วสิเท้าความทั้งหมดไม่ได้กางสังเกติถ้าเรามีสติอยู่ขนาดที่จิตจะปรุงมันจะมีลักษณะดันดันออกมาแล้วปรุงยัดแต่ทีนี้มันร่วมไม่ได้เพราะมันมันออกเวลาเผลอ ตอนนั้นม่มีสติมันปรุงแบบไหนเราก็ไม่รู้รู้ตั้งแต่มันออกเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วแล้วก็หลงเรื่องร า, า, าวนั่นไปหลงเงานังเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นแถวเป็นแวนแวไม่มีสิ้นสุดยุติเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนั้นต่อดรนั้นเพราพรางสังขารมันปรุงติดปรุงต่อปรุงไปเรื่อยๆคิดอยู่ไม่หยุดไมถ่ถอหลงไปตามเงาหนัน เป็นเรื่องเป็นราวว่านั่งภาวนาวมันนั่งหลงอารมณ์มันก็จะนั่งดูจุดทังมันที่จะแสดงอารมณ์ออกมาจะแสดงเหตุออกมาแสดงเรื่องแสดงเงาออกมาสติไม่มีอยู่ที่นน่นจิตจะหาความสงบ อ, อย่างไรได้พากันเข้าใจให้ดีตรงนี้เป็นอย่างนั้นแท้ๆไม่สงสัยนี่เคยเป็นมาแล้วรู้อยแล้ว ไม่รู้ได้เอามาพูดได้อย่างไรการสงบจะทําจิตให้สงบ ก, ก็ต้องจดเจาะ อ, อยู่ตรงที่มันปรุงปรุงนั้นคือความยุ่ยแย่คอบควนตัวเองนั่นแหละความปรุงความคิดเท่าติเป็นเครื่องรับรู้อยู่กับจิตที่มีสิ่งที่พาให้ปรุงให้คิดต่างรู้อยู่ตรนนั้น ตรงไปคาดเป็นมาอันไรเหมือนโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะความรู้เจ้ากันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นมันจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมากบต่อกอยู่ตรงนั้นเนื้อคำบริกรรมก็ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมปรุงเป็นคําบริกรรมไม่จะดว่าเป็นสั้งขานส่วนสมุนไพรเป็นฝ่ายมากผิดกัน เพราะความปรุงวันนี้มันจะปรุงเพื่อความทุงท่าปรุงเพื่อความสมงบสันต์เพราะว่าเป็นเรื่องเป็นลายที่ชั้นเกิดความทุงท่าทำมาเพื่อพาให้คนทุ้งสา่าแต่โลกคืออารมณ์ของโลกนั้นมันพาให้คนพาให้ ท, นในทุ้งท่าไปผิดคิดไปทางโลกทุ้งท่ามันก็เป็นสมุทรไทยคิดเท่าไรไม่มีสุดมีสิ้นไม่มีอิ่มพอ คิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยหลอกไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งหลับไปก็เป็นอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเราตั้งใจมาหาผลหาประโยชน์สติตั้งลงให้ดีถนัดดูที่สุดนั้นแต่เป็นคำบริกรรมก็รู้อยู่กับคำบริกรรมนี่ในขั้นเพื่อความสงบให้ทําอย่างนี้ ถึมีความสงบพอต้องควรนะก็ควรจะหาอุบายคิดในแง่ปัญญาโดยยกอาการอย่างร่างกายจะเป็นอาการใดก็าตามฝ่ายรูปก็มีหลายอาการถึง3ามที่อาการเบชนะสุดทุ ก, ท ก, ทกทเฉยเฉยต้องทางร่างการและจิตใจนั่นก็มีจะคิดในแง่ใดให้เป็นปัญญาก็คิด้ิตสงบตัววิือกิเลสสงบตัว เรียบรวมตัวเข้ามาจิตที่ไดรับความสงบมันไม่ค้านุ้คว้านี้เหมือนอย่างจิตธรรมดาที่หาความสงบไม่ได้บางทีมทีความสงบแล้วพอเป็นบาปเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางที่จะให้ได้หายใจพอมีความสะดวกสบายบ้างเพราะความไม่สงบของจิตนั้นก็คือความพุ่งสร้างวุ่นวายก่อปนไปเรองด้วยเรื่องต่างๆทั้งวันทั้งคืนอืเอายากพิด ป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาสู่ใจผลที่ได้รับจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากเกลือกับความโกับกว่าสาแสบป้อนเข้ามาไม่หยุดเมื่อคิดมีความสงบย่อมเย็นความคิดเหล่านี้ก็จางไปจางไปนะเมื่อเราทราบอย่างนั้นแล้วก็ให้มี ถ้าตกเพิ่มตัวขึ้นไปมีความสงบพอสมควรถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาจบพิจารณาจะนําสิ่งภายนอกมาพิจารณาก็ได้ดังที่เคยพูดแล้วไม่ผิดถึ ง, งรูปหนึ้รูปชายรูปัตทรูปบุคคลอะไรกต่างภายนอกภายใ น, ยยนยทเทียบเียงกันไม่ได้ทุกสัรทุกส่วนในเรื่องความปฏิบติครโสครกควรเรื่อง ควาตายความแปรสภาพความสลายลงไปเห็นร่างกายของเขาของเขาของเราจิตมันหมุนติ้วติ้อยู่นั่นทำงา น, ย น, น, นาา อ, ยอยู่นั่นพิจารณาแค่ส่วนนั้นปัญญาสติต้องแนบสติเป็นยาไปจาบ้านเว้นไม่ได้สติการสัจาไม่ได้ไม่ว่างานชิ้นใดสติต้องแนบ อ, อยู่เสมอ งานธรรมถาคือความสงบก็มีสติจึงจะเป็นความสงบได้งานวิปัสสนาก็คือก็มีสติถึงจะพิจาราได้อย่างชัดเจนคล่องแค่วว่องไวสติไม่มีก็กลายเป็นสัญญาไปเชื่อในเบื้องตน้นปัญญามักจะเป็นสัญญาเพราะเรายังไม่เห็นเหตุถึงผลพอที่ให้เกิดความขยินหรือเกิดความพ อ, พอใจในผลที่เกิดขึ้นแล้วและ ผลที่ยังไม่เกิดจะต้องสอบสาะหาเรื่องความภาคเพียรโดยทางปัญญาเมาื่อไม่เห็นผลอย่างนี้ปัญญาก็มักตะกลายเป็นสัญญาไปจึงต้องได้บังคับบัญชาด้วยสติพิจารณาสิ่งใดให้ดูสิ่งนั้นใข้ควรสิง น, นั้นคลี่คราดูสิ่งนั้นด้วยเจตนาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยลําดับลำดั บ, บพอมีมีเงื่อนก็จะถอด้อนสิน่งใดไา้กิเลสตัวใดได้ลแล้ว มันก็เห็นผลที่มาภายในจิตตัของเองและต่อจากนั้นก็ปัญญาก็เป็นปัญญาไปเรื่อยเรือยจนทั่งเป็นปัญญาล้วนล้วนปัญญาก็แทรกไม่ไี้เลยแต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นไรเมืองต้นที่จะที่จาให้เป็นความสงบมันเป็นปัญญามันลําบากอย่าเอาความลําบากที่เก่ามาเหล่านี้ไปเป็นอุปสรรคเพื่อผิดความตัวเอง งานที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ครอบครัววา่าลําบากนั่นเองตันนั้นก็าี้เกียบอ่อนแอไปเสียเลยไม่ในเรื่องเวลามีตั้งแต่อารมณ์ของโลกมาเต็มหัวใจเราก็ควรจะเห็นโทษของมันแล้วอยู่กับโลกค้าข้าวผ่นมาตั้งแต่มันรู้จักเรื่องสาภาวะกับเรื่องสัญญ า, ารมณต่างๆที่เกี่ยวกับโลกก็ควรจะเห็นโทษของมันเวลานี้เรามาเครื่องตุในทางด้านปฏิบัติ ควรจะให้มีความภากเพียรเต็มแม่เต็นหมดคำว่าความเพียรถ้ามันมีสติมันเป็นโมฆะไปหมดสติเป็นของสำคัญในประโยคอย่างความเพียรไม่ว่าจะเดินตรงๆไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาแบบไหนสติต้องมีนั่งอยู่ท่าไหนเป็นเพื่อความสงบหรือเพื่อปัญญาเราก็ต้องมีสติเป็นนายบังคับ เป็นผู้ควบคุมเข้ามาแล้วนี่เราวิธีการที่จิตจะได้ผลถ้าปราศจากสติแล้วไม่ได้เรื่องนี่ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอุปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่สดปราบกดผลเป็นที่พอใจเป็นอย่างนั้ไปไม่มีสติสติอ่อนอ้าสติอ่อนแล้วก็อย่างว่าเห็นไดทั้งอ่อนเพราะการสนสติ มีกําลังน้อยไม่ค่อยสืดต่อกันสติเป็นสิ่งสิ่งที่แจกกล้าสามารถได้เช่นเดียวกับปัญญาปัญญาก็ลม้มลุกคลุกคลานทีแรกเพราะยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาแต่พอตากลผลขึ้นมาเป็นราดับสันดาลแล้วนั้นปัญญาก็เป็นปัญญาและตั้งหน้าต่างๆขุดคน้นีท่พิจารณาจนเกิดความปิดปกติดใจเกิดความเพลิดเพลินในการพิจารณาดังขึ้นกล่าวไว้ใน สังดโชนบงบนนะอุทัศจักความเพลินในการพิจารณาเกินตัวเขาเรียกว่าเป็นสังโยช น, น, นอ์อันนึ่งคือไม่ทอดีอุทัศจะความฟงของจิตคือค้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่อุทัศจักรปุจจักในนิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปผิดกันตรงนีน้อันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกของสารใดภายนอกมีตั้งแต่หมุนติ้วอยู่ ภายในขันธ์วงขันธ์ด้วยปัญญาพิจารณาดูฐานไตรลักความเกิดความดับของของตปรุงความคิดของตัวเองอเกิดแก่กล้าได้อย่างนั้นสต่ิก็แก่กล้าปัญญาก็แก่กล้าไเราไม่เคยคิดเคยนมตตั้งแต่พอรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมานี้ สติกับปัญญาเหมือนที้วอยู่กับงานนั่นตลอดไปอ น, นี้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยคาดคิดไปแต่ก็ปรากฏได้เป็นที่นั่นแล้วตั้งแต่ขนาดตื่นที่แรกจนกระทั่งถึงขนาดเราเราได้เผอมีเวลาใดบ้างมีเผอที่ตรงไหนมีไหมไม่ปรากฏเลยฟังดิสติทางไม่แกแแก้กล้าได้ทำไมมันจะไม่มีเผล่ไม่ได้ตั้งทาง่าตั้งทางเพื่อจะไม่เผอสตินะ มันเป็นสติอัตโนมัติมันเผอก็ได้อย่างไรมันจะเผอได้อย่างไรเมือถึงขั้นสติปัญญาเ็นลมมันแล้วมันต้องเปลี่ยนนั้นในขั้นพุทธการถนัะเป็นมหาสติมหาปัญญาเข้าไครูอาจารย์ท่านเคยพูดเสมอเพิสติให้เป็นมหาสตินะเพิ่มปัญญาให้เป็นมหาปัญญามิฉะนั้นมันจะทันกลมญาของกิเลสเหลือกิเลสมัน สั่งสมตัวมากี่พบกี่ชาตกี่กับกี่การภายในหัวใจจนมองดูที่ไหนไม่เห็นมีธรรมแทรกเลยนี่ตั้งแต่กิเลสเคลื่อนรู้เป็นอยู่ภายในหัวใจมันมีกําลังมากขนาดนั้นแหละกิเลสสติปัญญาของเราไม่เพียงพอจะปรากรามกิเลสได้อย่างไรดังนั้นจงสั่งสมอบรมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกําลังของกิเลสให้เหนือกําลังของกิเลส เมื่อสักกำลังของสติปัญญาเพียงพอแล้วเหนือกำลังของกิเลสแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเหนือสติปัญญาไปได้ไม่ต้องถูกทำลายไปหมดอาจารยูกอาจารยูดเด็ดมากเพราะนิสัยท่านแม่ครูจา ม, มั่นเป็นนิสัยอาชานมาันมีความอวดกล้าหาญคล่องแคล่วว่องไวพูดนีสตรงไปตรงมาตามนิสัยของท่านที่เป็นค น, นจริงจัง ม, มีเล่เหลี่ยมอะไรกับผู้ใดแต่กับพิเรศนั้นท่านฉลาดมากพิเรศมีเล่เหลี่ยมยังไงทาง่านทำแก้ตามเล่เหลี่ยมของพิเรศตืออุบายของท่านเองเราเปนนักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพยายามให้เห็นมหาสมบัติภายในจิตทั้งตัเวลานี้จิตกําลังถูกพิเรศลุ่มล้อมอยู่เต็มหมดภายในจิตค้นหาดูจิต ภายในตัวจริงๆไม่เจอมีแต่เรื่องของกิเลสน้อมทั้งหมกพุดธออกมาขณะใดปรุงออกมาขณะใดคิดออกมาขณะใ ด, ดมีแต่เรื่องของกิเลสออกมาทั้งนั้นเรื่องของอักของธรรมไม่ <N> มีนี่เวลากิเลสมันหนามันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้ทงนั้นแหละขยับตัวออกมาจากใจ น, นั้นะคือความคิดปรุงต่างๆมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้ทงนั้นเพ ร, รยาะป่าปัญญายังไม่มี ด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามฝึกสติปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังในทันกับกำลังของที่เหลวทนันไม่ได้สติเมือ่อได้รับการฝึกฝนอบรมรักษาบำรุงอยู่เสมอม่ต้องคัามแขกล้าสามารถขึ้นโดยลำดับปัญญาอยากเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นมาเองเฉยๆโดยไม่ได้ใช้อุบายหรือไม่บังคับให้คิด แม้จะมีสมาธิขั้นใดก็มีเถิดอันนี้เป็นความเข้าใจมีความเข้าใจถิดกันอยู่มากในวงปฏิบัติทั้งหลายเราเได้เคยอ่านในแม้ในหนังสือก็อ่านเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองว่าว่าอย่างนี้เนี่ยสำคัญที่ว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองมันเกิดเองได้อย่างไรเืาะเราก็เป็นนักปฏิบัติผู้หนึ่งเมื่อมันไม่ได้ประจักษ์กับตัวเองแล้วใครจะมาปลุกได้หรือ มันติดจงอยู่ในสมาธิมากี่ปีจนพระแม่โคจาร์นี่ขนาดใหญ่โตไล่ออกจากสมาธิถึงได้นำไปพินิชพิจนนารณาจากนั้นก็เริ่มออกทางด้านปัญญาที่นี่เมื่อจิตมันพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะเป็นเครื่องหมุนปัญญาคือสมาธิความแน่นหนามั่นคงของจิตมันพอตัวของมันแล้วไม่ได้หิวได้หงุดหงเครื่องอะไร มีแต่ความเอื้อิ่มอยู่ภายในความสงบของตัวเองแม้จะปุงจะคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามฐานแห่งความสงบเย็นนั้นไม่เคยละตัวเองเลยเป็นพื้นฐานแน่หนามันคงอยู่กับตัวเองมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิโดยแน่นอนแล้วมันปัญญามันเกิดได้เมื่อไหรไม่เห็นมันเกิดเขาที่ภาวนานหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามราะความชำนาญเรากำหนด ให้จิตมันดุดคิดดุดตวงเท่านั้นพอกําหนดมันลงไม่ได้กีน่นาทีเลยเพราะความจำนัำพอลงไปนั่นก็เหลือแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเลยเหลือแต่รู้เท่านั้นสุดท้ายมันก็ติดความรู้นั้นว่าหนิดรักเศษสรรความรู้นั้นว่านี่แหละผู้จะเป็นนิพพานก็คือปุณนี้นี่จอเอาตั้งแต่นั้นไปไม่ได้เรื่อง่าวอะไรหาทราบตรไปว่าไอ้ผู้รู้ที่ดิ่งลิ้นแนวอยู่นั้นอ่ะมันมีอะไร ฝังจมอยู่ภายในมันมันเราไม่ได้คิดจริงๆ ม, มันมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งใดบ้างเราไม่เห็นพเออพราะสติอเพรภปัญญาไม่มีพอค้นออกทางด้านปัญญาพอปัญญาออกก้าวเดินเท่านั้นก็มองถึงสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งนี้นเกิดสะดวกใจขึ้นมาในแง่นั้นในแง่นี้แห่งธรรมทั้งหลาย ก็ตามกันไปเรื่อยที่จะนาขันไปเรื่อยแล้วกิเลส ก, ก็ค่อยหลุดรอยไปเรื่อยเป็นอย่างนี้อ่าอ้าแล้วกันนี่เป็นอย่างนี้เหลยนี่น่กเห็นเห็นคุณค่าอะไรนี่เห็นคุณค่าของปรรัญญาแต่นั้นปัญญาก็กล้าเลยที่ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนไปโดยลำดับเท่าไรก็ยิ่งมีความขยาันามันเพียงในอันที่จะพิจารณาสุดท้าก็ต้องมาม า, มาตำหนิสมาธิวันนอนตายวิถีไม่ได้เรื่องในราวอะไรนีม่มันก็ไม่พอดีนักปฏิบัติ อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าสมาธินั้นจะมีถึงขั้นใดภูมิใดก็าตามถ้ามันใช้ปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมามันบังคับให้พินิตริจนาแล้วปัญญาจะไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดเองนั้นผู้ปฏิบัติทางสมาธิจะเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ของสมาธิแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญาเองแต่นี้ไม่เ น, มนเแม้ไงเกิด การทำสมาธิมันก็มีแต่สมาธิทําเพื่อความสงบมีแต่ความสงบทําเพื่อยิปัตสนาคือความรู้แจ้งจีนก็ต้องคนฟ้ามันจะเป็นยิปัตสนาหรื อ, อวความรู้แจ้งแปลตามศัพท์รู้แจ้งด้วยปัญญาไม่ควรจะนอนใจหลีเฉยแต่เป็นความสงบขั้นไหนก็นตามควรจะปัญญาขัาน้นนั้นๆเป็นนำดับ นี่เป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติจะไม่ต้องทําให้เสียวเวลาเวลาว่าเราอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกมีครูมีอาจารย์คอยแนะนวิธีการให้ทราบแล้วมันก็ควรจะดําเนินไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่มีอะไรสงสัยผู้เทศก็ไม่สงสัยผมพูดตามความจริงผมไม่ได้สงสัยในการสอนเพื่อนเพราะได้ผ่านมาอยงนั้นเป็นอมายนั้นทั้งฝ่ายเหตุก็กจักใจ มาโดยลำหนักฝ่ายผลนก็ประหยัดในเหมือนเดิมอย่างขณะอย่างขณะที่พูดกบบตั้งกับขณะตื่นขึ้นมาสติกับปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานคือการถอดถอนกิเด็สเพื่อการค้นคว้าขุ้ยเขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่อุบายของสุปัญญาที่เกิดหมุนไปตามที่เด็สมันเป็นกลไกหนึ่งของสติปัญญาจนกระทั่งถึงขณะหลักได้ทบทวนตัวเองดูวา มันมีเถื่อเวลาไหนมากมาตั้งแต่ขณะตืน่นนอนขึ้นมันก็มีแต่หมุนจิ้วที่อยู่กับงานนี้ต่อไปจงกระทั่งหลับไม่มีปรากฏมันเผือที่ตรงไหนนั่นตังเลนี่มันก็เป็นเองอยู่แล้วนี่งแนะนามาพูดเพื่อฟั ง, งแต่มันจะหมายถึงท่านทั้งหลายมายึดเอาเหล่านี้ไปเป็นสัญญาลมหรือถือเอาเป็นเอาไปทุกข์กระเบียดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งหรือเป็นแนวทางหนึ่งที่ เฉพอแต่เต้าไปด้วยแม้จะไม่เป็นเช่นนั้นทุกกระเบียบก็ตามถูกขอให้เป็นแบบลุกสิบมีคือเพราะการพูดนี้พูดตามหลักความจริงของสติปัญญาที่เคยร่มลุกคูกครามนมาแล้วครับแต่ตั้งตัวโกงแนวหรือหมุนเกิ้วเดืไปโดยไม่เผลอเมื้อเผลอตัวมีแต่สราบตามีิเดตประเทศต่างๆโดยไม่อีกดไม่ขอนี่หละสติก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอ ไม่อยู่ในถ่ยต้องเป็นอย่างนี้จนได้แล้วขอให้ทุกท่านพยายามขุดคน้นมันไปของวิเศษอยู่ภายในจิตนี้แหละจิตดวงนี้เนะี่ยเป็นจิตที่วิเศษเวลานี้จิตดวงนี้เป็นจิตที่ต่ำช้าเดยตามหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสซึ่งเป็นของต่ำช้าเดตามครมอบจิตจิตก็เลยจนของมีคุณค่าไม่ได้เป็นสิ่ที่หาคุณค่าไม่ได้เลยนั่นจึงต้องทำละออก ความพยายามเปลียนอุบายสติปัญญาของใครมีอย่างไรให้นํามาท้ายเราอย่าหวังคอยแต่อุบายอาจรทุกแง่ทุกมุมไปในแงยต่างๆเนอุบายของสติปัญญาที่ต่างๆแต่เราคิดเราหน้าโดยอธรรมเรานั่นแหะกินไม่หมดเราคิดได้เองท่านบอกแต่วิปียื่นให้เป็นชิ้นติดอันแล้วเราไปตีแผ่มันลยหลายแง่หลายแขนงนั่นจึงเป็นสมบัติของเราแท้อันนั้น อาจจะพิจารณาถึงอสุูภาพก็เอาไปเลเอาให้จริงอสุภาพมันก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่ใคยดูทงเที่ยวกรรมาฐานตั้งแต่ข้างบนลงไปหตั้งแต่ บ, บนที่สะลงไปถึงพื้นเท้าฝ่าเท้าขึ้นมาถึงที่ะรอบด้านพระจักรดยนันโตมีหนังห่้มอยู่โดยรอบ หุมอะไรหุ้มฟองปฏิกูลโฉกโตัวหนังเองก็ปฏิกูลมีผิวนิดหน่อยทั้ง น, นอกที่พอดูได้แล้วก็มีตั้งแต่ที่เหนือที่ใครเป็นตันหนดต้องเ้่า ต, ต้องล้างเพราะสกปรกออกมาจากภายในต้องเช่า ต, ต้องล้างทุกวันทุกเวลา น, น, นี่มันมันเป็นยังไงดูมันดีหมดผู้ใดพิจารณากายเลือยชอบกายอยู่มี้าพิริพิพจารณากายแยกขยายกาย ตามตัดตามส่มสวนที่มีอยู่ด้วยปัญญาอยู่เดยสม่ำเสมอผู้นั้นะจะ ก, ก้าไปได้เร็วและถือเป็นเป็นจุดสำคัญแห่งสนามรบด้วยกายยัคตาสติเป็นของสาคัญในเมื่อจิตยังติดอยู่ในเมื่อในกายแล้วกายนี้เป็นของสำคัญที่ต้องพิจนารณาให้นรู้ตลอดเพื่อถึงด้วยปัญญ า, านาที่ทําความสงบ เราไม่ต้องไปคิดไปยุ่งกับปัญญาทําเป็นเหมือนไม่เคยคิดเลยทําตั้งแต่หน้าที่ให้สงบโดยถ่ายเยื่อเท่านั้นมไม่ให้ก้าว ก, ากล้ากันเวลาทําใจเพื่อความสงบพักใจให้สะดวกสมายคลายห่วงวุ่นวายจากความวุ่นมาทาั้งไม่ตั้งหน้าตั้งตาทาความสงบอย่างเต็มเมเ็ดเต็มหน่วยโดยไม่ไปเป็นห่วงใ ย, ยกับเรื่องการพิจารณาทางน้านปัญญาเลยในขณะนั้นคิดได้ ทัดสงบให้เห็นกระจัดกับตัวเองพอถอยออกจากนั้นมาแล้วควรจะ ก, การงานที่ต้องพิจารณาล้วเอาที่นี้ก้าวทางปัญญาค้นคิดมันมันร่วงกระทัดมันกระเพื่อนไงหมดนั่นเป็นไหลสมาธิไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับกับสมาธินั่นเลยในขณะที่เดินปัญญานั่นเรียว่าถูกต้องแต่ทําหน้าที่ได้ให้จริงจังต่อหน้าที่นั้นเหมือนกับน้ํามันไหลลงช่องเดียวมีกําลังมาก เดี๋ยวจะเป็นห่วงปัญญาเวลานั่งสมาธิเวลาพิจารณาปัญญาก็จะไปห่วงสมาธิเลยยุ่งกันไปยุ่งกันมาหาทางไปไม่น่าท่านอย่างนั้นเป็นคนจับจดุดหาความจริงจังในตัวเองไม่มีม่ต้องจริงผู้ปฏิบัติเดินตรงกมก็เอาอย่าไปคิดเรื่องอะไรในโลกนี้ให้เหมือนโลกไม่มีมีตั้งแต่ความรู้กับสิ่งเกี่ยวข้องเราอยู่เท่านี้ สิ่งเกี่ยวข้องคืออะไรสิ่งเกี่ยวข้องที่มีอยู่กับตัวเราหนึ่งสิ่งเกี่ยวข้องคืออารมณ์ต่างๆที่เรากําลังคิดนิยพิจารณาหรือกําลังบริกรรมอยู่นั่นหน่นะเรียกว่าสิ่งเกี่ยวข้องมีรู้เท่านี้อย่าไปห่วงยายโลกนีกไ่ไม่หายไปไหนแหละมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลามามันไม่ไปไหนเ่ยโลกอันนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสลายพักผ่าเป็นดย่านั้นตลอดไปเราห่วงยายอะไรกับมันร่างกายที่ พาดึงพาเดินพหลับพาตัดพาขพาดกินอยู่ปูวายอยู่ตลอดเวลานี้มันก็แปลสภาพของมันมาจนขนาดนี้แล้วพี่พี่ยังแต่กร์เป็นเด็กๆตัวดแดงๆตกออกมาจากท้องแม่ที่แรกมันเป็นยังไงแล้วก็มันโตขนาดนี้มันโตไปอะไรนี่ความโตนั้นอันนี้จังมันก็นโตไปด้วยทุกขังก็โตไปด้วยอนัสต า, าก็โตไปด้วยเความจะแปลสภาพความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันโตไปด้วยด้วยกันมันแหละ เราจะหาความยดีความดีจากความโตแห่งสังขารไี่ได้ยังไงถ้าไม่เอาความดีจากสติปัญญาหาสติปัญญาไม่เติบไม่โตไม่เจริญนุ่งเยื่อเราเราจะหาทางเอาตัวรอดไม่ได้นอนกอดสังขารตายจมสังขารแล้วพอสังขารมาะก่อกาเนิดเกิอดอีกเป็นเดือนหน้าแห่งความเวดเจิดสุดายแห่งกองฟุ้งขลางอยู่อีกตลอดวันดังคำคืนยังรุ่มกํากับต่างกาันหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ต้องการจะตัดพกตัดชาต ึงต้องคนอง้นคว้าต้องพิดารนาต้องหนักในทางความเพียรทุกข์ก็ทุกเถอะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเป็นสุขล้วนๆมาตั้งแต่วันเกิดจนมาัึงวันตายมันมีความสุขความทุกข์สับปนกันตลอดมาทั้งเศรษฐีกรุมพีทั้งคนรู้คนฉลาดจอมปราดแม้ก็ตามหรือเรื่องสังขารนี่มันไม่ฟังใครทางนั้นนะ่ะคนจนคนมีมีกองทุกข์เกี่ยวกับเรื่องขาดเร่องขันนี่อยู่เต็มตัวด้วยกันเราเคยทุกมาแล้วไม่ควรจะย่อท้อนะ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทุกอันนี้ทุกเพื่อผลอันดีทุกเพื่อความเลิ่อนโลความประเสริฐทุกเพื่อการถอดถอนที่ดีเป็นอิสระผ้าภาในจิตใจของตนไม่ต้องเยี่ยมว่าจะเกิดในวัฏสงสารทุกขณะไหนก็ยอมรับขอให้มีสติปัญญาศรัทธาคำสอนหมูนไปกับทุกเถิดแต่อย่าไปทนทุกข์ออยู่เฉยอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกเกิดมากน้อยเอาปัญญาฝึก้นลงไป ให้มันเห็นทุกเป็นทุกเลื่อนด้วนเป็นความจริงอันหนึ่งอย่างกระจักใจกายแต่ละส่วนก็เห็เป็นหนึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งอาการของกายนั้นๆจิตก็มีแต่ความรู้อยู่โดยลำพังตัวเองส่วนสัญญามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปดับไปไปหมายนั้นว่าเราหมายนี้ว่าของเราหมายว่านั้นเป็นทุกอันนี้เป็นทุกมีมันมันหลอกเราเมื่อพิจารณาแยี่ย็ให้เห็น กายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักตะเวทนาแล้วจิตจะไม่สักแต่ว่าจิตได้ยังไงสัญญารมความหมายน้่มันก็ดับไป <c oughs> การคิดจิตมันจริงกลางอย่างนี้นีอยในวงสติปัญสีพูดอะนริยสตีก็ถูสติปัญสีก็ทูกนั่นถูกอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเอาให้จริงให้จังในอย่าลดหนา้าเพาะถอนผมเป็นห่วงหมู่เพ่อนมากผมก็องให้การอารมณ์อยู่เสมอ <c oughs> ถึงนั่นค่อเชืุดตรยพาไปหด้าอบรมปลูกปิด ป, ปลูกใจปลกเรื่อความถูกต้องมม ต, ตามอัถตามธรรมยึดไปเพืปฏิบัติ <c oughs> อยากเรนลับควา ม, ม, มง่ขม่งม่งล้างหน้าหาอุบายวิธีดังขัางพุงทธการท่านทำท่านเฉียนไว้ทำไมถ้าไม่เขียนไม่สอนพวกเรา นั่งมันง่วงลงเดินเดินมันยังง่วงมีอมีในประของสาวลกบลางอย่างต้องลงไปในน้ํานำลงไปในน้ำถึงแค่เข่าแื่ออะไ ร, งงไรมันยังง่วงลงไปเรื่อยมันยังง่วงเออทหารยญ้าหาฟางทำตุ่มน้าพอกบนที่การนี่ปัญหาง่วงที่จะนาทําทั้งหลายอยู่นั่นจนได้บรรลุธรรมนี่ยังรู นั่นแ ต, แต่ตอนนั้นความเข้าใจของเราว่าจิตท่านขึ้นก้าวขึ้นสุ่ภูงสูงมากแล้วแต่ความง้อ ง, ง้อง ง, อ ง, ง, องนั้นมันไม่ไว้หน้าผู้ใดท่านจึงต้องหาอุบายวิธีด้วยสติปัญญาของท่านเพื่อความค้นทุกข์อย่างรวดเร็วมาปฏิบัติต่อความ ง, ง, ง้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงในน้ำแล้วก็ลงไปลงไปใช้มันก็ยังมหาง้องเอาจน่รทั่งเอาญ้าเอา ฟังสูบน้ําแล้วถุมาพอกบนที่ศักิ์ทิฏฐนาถึงมนบรรลุธรรมท่านหนึ่งหมายถึงธรรมขั้นสูงจิตภูมิจิตสูงไม่ท้อถอยในความเพียรแต่ถาดขันมันอยากหลับอยากนอนโงกงวกถาดขันมันเป็นถาดขันทางจิตพระโสนะท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งขาเท้าแตกมันกัน เราเล่งไปในแง่งความเพียรกล้าของท่านคือจิตปิติปัญญามหมุนตัวเป็นเสียวไปกับความเพียรมันตลอดเวลาเลยลืมเพลิดเพินไปในการเดินจงกรมจนกระทัง่งสายท่าแต่จิตที่ว่ามันไม่พอดี น, ะนั่นคือการค้นการพิจารณาเนี่ยมันฟุ้งเกินไปที่เรียกอุฒาจักรเทินในการพิจารณาเปลี่ยา น, า น, นไปไม่เข้าทัก ในเรือนสมาธิเมื่อเขาพักพอสมควรแะออกพิจารณาพิจารณาพอสมควรแะพักอันนี้เรียวกว่าถูกต้องไม่ผิดเหมือนกับคนทํางานเวลาทํางานก็ตั้งหน้าตั้งตทําให้จริงให้จังิงผลของงานเป็นลําดับกาลัง อ, อีกหิ้วมือล้าก็มารับทานอาหารทักขอนอนหลับให้สบายไม่เป็นกังวลกับงานการอะยทั้งสิ้นในขณะงาน พักให้สบายเป็นธาตุขันเพียงพอกับความต้องการนั้อ้าวประกอบทำงานมีจิตก็เหมือนการความคิดความคิดความ้นพิจารณ์ต่างๆนั้นเป็นงานของจิตความคิดความตรุงแม้จะเป็นเรื่องของปัญญาก็เป็นงานของจิตจิตต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันจึงต้องเข้าพักสมาธิคือความสงบหยุดอากัศเยียวยาโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นความสงบสุขภายในสมาธินั้น เพียงเท่านั้นก็มีกำลังพอถอยออกมาจากนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เหมือนมีดที่เราได้รับหินแบบร้ใจแล้วเจ้าของไปพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารจนมีกำลังแล้ววิเลตตัวนั้นปัญญาทิ่อันนั้นแหละถ้าปันหันแบกกันลงไปได้อย่างรวดเร็วคลิกกับที่ยังไม่ได้พักผ่อนนอนหลับสะดวกสบายหิงก็ นี่ก็รับหินจบร้อยแล้วไม้ท่อนนั้นแหละฟันลงไปคนคนนั้นแหละอืมคนคนเก่าที่กําลังอ่อนเปียกอยู่นั่นพอมีกำลังแล้วฟันไม้ท่อนนั้นขีดนั้นขาดสะบ้านก็ได้เลยนะเนี่ยสมณะสมาธิปฏิทายต า, าปัญญามห ah าพลาโขสีมห่านิขั้งช้าปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีในสมม า, มมมาเก็คือว่าปัญญาอันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุน อเหมือนกับ <c oughs> แม่ครัวจะปรุงอาหารมีเครื่องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรุงให้เป็นอาหารประเภทใดก็ได้ถ้าไม่ปรุงเครื่องครัวก็ทิ้งนั้นเป็นผักก็ทิ้งนั้นซิกก็ทิ้งอยู่นั้นเนื้อก็ทิ้งอยู่นั้นมันก็เป็นเนื้อเป็นผักอื่างนั้นมันจะเป็นแกงได้อย่งนี น, น, นี่สมาธิมันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นถ้าไม่ประกอบให้เป็นตันญดญาเหมือนกับ เครื่องครัวทั้งหลายที่นํามาปรุงอาหารทมันประกอบให้เป็นอาหารประเภทใดมันก็ไม่สําเร็จมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่นั้นต่อไปมันก็เน่าเสะทิ้งไปเลยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันแล้วใก็หลงในสมาธิติดสมาธิก็เหมือนกับเนาเ่าเสะอยู่ในสมาธิเองที่เป็นที่หรกป้นที่ตรงไหนสมาธิมั น, นเป็นแต่เตียงเครื่องหมุนให้จิตใจมีกําลังจิตใจเมื่อมีจะมีสมาธิแล้วมีความอิ่มตัวไม่มีหัวกับอารมณ์อะไร ควรจะการพิจารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นควาหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ถอดถอนขี้เล็ก น, นะฮะมันข้าบขี้เด็กเอไว้หรือรวมที่เด็ดรวมตัวที่เด็กเข้ามาสู่จิตหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิพิจารณาเพราะจิตที่มีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วย่อมทํางานได้อย่างดีไม่เป็นไม่กลายเป็นทัญญาอารมณ์ปั่เหมือนอย่างเรารับทานอาหารอื่นหนำทุ่มล้นแล้วทํางานก็จะเม็ดเป็นหน่อย ทำเวลาหิหวโหยเป็นยังไงคนเราทำมาแลจับจัจุดจุดความโมโหกองก่เอเหลวจิตใจเมื่อมันมีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญามันก่อทะเลทรา เ, เ, เป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตลางสารไปเสียเลยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นทำรังคานที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาปัญญาบริภาอิจังจิตตางสัมาเดวะอสิเรหิมุจะติจนะิตอันปัญญา สมาธิอันปัญญา อ, ารอบรมแล้วย่อมมีผลมากเพราะจิตทีทป่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมลหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบปัญญานี่ยเขาไปซักฟอกกิเลสที่มีอยู่ในจิตสมาธิไปชักฟอกได้อย่างไรหนุนก็ไปเป็นหลักเรื่องของสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกับบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหนึ่งไปเรื่อยรื่อยศีลก็เป็นขั้นของศีล สมาธิเป็นขั้นสมาธิปัญญาเป็นขั้น ข, นของปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายกับปัญญาที่ตัดขาดกระจายหมดวิริยทุกประเภทไม่มีสิทธิเ ล, เลยอเียเลยนั่นคือคุณค่ามหาศาลเกิดขึ้นจากคู่ปฏิบัติที่สละเป็นตละดตาเพื่อผลอห่ น, นี้ความทุกข์ทั้งมวล น, นั้นก็บกลายเป็นต้นทุนไปเป็นปุ๋ยไปเสียอืม ในจิตใจได้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นแมตเต็มหนุ่เต็มที่เต็มถามถึงบัณฑิตทั้งๆสดๆทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่การตั้งตั้งใจทุกปฏิมาอันนี้เหมือนกันพิจารณากับไปกลับมาทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงแน่ทุกสัตว์ทุกวย่าโลกกว่านี้กว้างแสนกว้างมันเหมือนกันที่หมดนะลงใจเลยชัดเจนพอลงใจแล้วมนหายห่วมันดีความกังวลทั้งหลายดูอุปทานขึ้น ซึ่เป็นเหมือนหอมเหมือนเหลาถอนน้ำมันเองอย่างนี้กั็ไอ้พ้นปี น, น, ท, น, ปนทำผู้ทีเจา้าึงเป็นเกา้าสิบต่อทำโตสอนว่าอะไรไงให้พยายามทำจิตให้เป็นอย่างนั้นฝืนบังคับสิ่งได้จะฝืนทำจิตนั้นคือพิริยะเอาจไอไ น, น, นไม่มีอะไรฝืนมัน เ, เ, เต็นที่แล้วไม่มีอะไรฝืนเอาที่อัดจัดให้จิตบริสุทธิ์ดีที่จะมีอะไรมาฝืนไม่มีมดเห็นเราเน เราที่จะเห็นได้ชัดเราอความปุ๋นทั้งมวล น, นั้นไม่ว่าหยาบแล้วละเอียดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไงพอถึงอิจด ล, ล้วนแล้วมันมีอะไรสืนอยู่ก็อยู่ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดอันนี้ก็ไม่ไปดูดกับอะไรอะไรก็ไม่มาดูดกับอันนี้อนั่นจึงเป็นเสลาเป็นที่เหมือนโลกไม่มีปุ่นเอาท่านั้งๆที่อยู่ในโลกในขันนม่ไหนเหมือนไม่มีเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วแต่ความรู้ตรงนั้นซึ่งพูดอะไรไม่ถูกแหละหากเจ้าของไม่สงสัย ความรู้นั้นเป็นยังไงความรู้ที่ไม่ยึดไม่เหนียวไม่เกาะไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรมาเขียดมาแทงไม่มีอะไรมากดขีบ่บังคับอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองตามหลักธรรมชาติอัตโนมัตินั้นเป็นยังไงมันพูดไม่ถูกแต่ฟ้องเราไม่สงสัยนะมันจะอะไรมาดูดมาหมดที่เรียนหนังมันดู มันหลบดไปดูดมาอย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยเอาให้มันได้ห น, หนักมือไม่ถอยหลังอืมแต่เราจะต้องการพ้นจากทุกเราจะเห็นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียนการบรับกิเลสทุกประเภทซึ่งมันกําลังฝืนทำเราฝืนกิเลสกิเลสฝืนทำสู้กันเนี่ทุกข์กับทุกตรงนี้ไม่เป็นไรทุกเพื่อไชชนะไม่เสียหายที่ตรงไหนเลยเอาให้กินให้จํา ตรงนีน้ตรงที่จะเอาใจชนะกันดูตรงนี้นะจะไปหามองหาใครนะอืการที่หนุ่นสถานที่นี่อะไรนั่นเป็นที่ประกอบความภาคเพลินเพื่อเอเมือความสะดวกแต่การประกอบความเพลยนตนาเแต่สิ่งที่เราจะถอดะถอนฟาดจะฟันมันจะแท้อันเป็นตัวขั้วศึกคืออะไรมันอยู่ที่จิตให้เอาลงที่ตรงนี้อย่าหมุนไปที่ อ, อื่นผิด ลูกมูลเชนาร์ังหาสนั่นเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเทียนยมเราจะไปฆ่าไเรื่อยจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวิเรียษซึ่งกำลังเหยียบย่ำธนาย จ, จิตนี้มันก็ผิดไปความจริงจังจิตมันหลุดลอาออกจากสิ่ง น, นี้แล้วมันก็ถืออะไรกับที่ยานเหาะเขาอยู่บนอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูอะไร หมดหน้าของโลกมันดึงดูดไม่ถึงหืออวกาศอะไรนี่นอวกาศของกิตของธรรมนี่เป็นอย่างนี้คืออวกาศของธรรมนี่อยู่กับโลกนี่แหละถ้าข้ากันหนี้หากไมด่ดูไม่ดูดกับอะไรอะไรไม่มดดีดึขันที่อยู่กับตัว แ, แท้มันก็ไม่ดูดกันไม่ดึงดูดกันซึ่งจะก่อนมันแบกอมดแบกบคนต้งขี่ คนไม่มีที่เหนืออุปทานมันยึดมันถือมันแบบมันถามอย่นั้นเอาเป็นเราเปของเราพอพิจนรณามันรู้จ้งเห็นจริงแล้วมันจะพ้นตั ว, ตวยาฝืนทําคล้อยตามยี่เหล็กตรงนี้นสําคัญมากเอา ย, ยากลำบากขนาดไหนเอาคึกไปคลานไปอย่าไปถอยทําไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้เอาฝืนทำว่าไม่ให้รักอย่าไปรัมันรักก็ฝืนความลั แก้ไขเหตุผลมันรักเพราะเหตุอะไรน่ะมันเตียดแก้ความเตียดมันเตียดเพราะเหตุผลคนไกอะไรทําให้เตียดนี่นะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเวลาจิตมันพุ่งไปตรงกลางตามหลักธรรมชาติของตนเองแล้วความรักมันก็เป็นสิ่งเป็นกาฝากความชังก็เป็นกาฝากมากัดจิตนั่นแหละทิ้งเว่ากาฝากเหมือนอย่งกาฝากต้นไม้มันเกิดจากจิตกิ่งไม้ใดก็ตามขีดไม้นั้นต้องเป็นอาหารของมันมันเป็นต้นเป็นลํำของมันเองแต่มันอาศัยดูด ต้นมันเป็นอาหารมันเี้ยกเลสมันกันมันเป็นีิเลสของมันเองมันดูจิตใจเนี่ยรับความทุกข์ความลําบากคือแล้วมันดูอยู่ตลอดเวลาเอาเอามันออกถอนมันออกทอันอนไม่มีอะไรเหนื่อยมันแสนสบายอยู่ไหนก็อยู่แล้วตายตายแก็ว่างไปนั่นเต้นอยู่ก็เทอะไรม้านไหนตื่นขึ้นมาก็มองก็เห็นมันจะ รูเสียงที่นรถเครื่องั้งราชญที่มันเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วตั้งกับตั้งกันแล้วเราจะไม่เกิดมันก็มีแล้วตายไปเรื่องก็มีอยู่นี่แล้วลวเอาเอะไรกับมนนันนะแล้วมีอะไรวิเศษวิสโสในโลกนี้ถ้ามัานโลกนี้มีวิเศษวิสโสนอกจากทำไปนี้แล้วคนทั้งโลกที่อยู่กันนั้นมันก็ต้องวิเศษวิสโสกันไปมากมายแล้วอืมันนี้นอย่างนั้นเห็นไหมพี่ไปที่ไนมี้ต่กองถูกเราเห็นได้อย่างทัดๆมองดูก็รู้ ความกดขี่บังคับของจิเหล่นี้มันดึงแรงมากภายในจิตใจมันดึงมันดีทําให้สู่นทาไปได้คือคล้อยตามมันถ้าจิตใจอ่อนแอก็คล้อยต่ำมันไปเรื่อยๆมันดูดมันกําลังมันแรงท่านทึงต้องสั่งสมกำลังคงนี้มีให้ดีอาวสติปัญญาต่อสู้กับมันมันดูดไปทางไหนฉุดหน้ากกลับมาสื่นมันอยู่เสมอจึงชื่อว่า ต่อสู้กับพี่เหลือแต่คล้อยตามพี่เหลืไม่เรียกว่าต่อสู้ถูกมันจูงจมูกเอาต่อสู้กันเรื่อยๆเอาจน ก, กระทั่งพี่เหลือมันอ่อนลงไปอ่อนลงไปกาลังของทำมากขึ้นมากขึ้นจนรทั่งเด็คุยเคียหาที่นี่มันไม่เห็นตัวอะไรปรากฏขึ้นมานั่นแหละที่ว่าสนอสติปัญญาธารมาดมาัางที่กล่าวแลต่ที่นี้เมื่อไปเจอแล้วก็เอ้อได้งานแล้วที่นี่ปุ๋งง่ายเจอศัตรูแล้วที่นี่รบเอาวกัน รลุมบอนกันเลยไม่มีถอยเพราะศัตรูล้มละนาวไปตายหมดแล้วค้นหาอีกมันอยู่ไหนมันหลบซ่อนที่ตรงไหนมั่งน่ะพะนักงานของผิดขั้นนี้ถึงไม่ว่าเวลาเจอพิเรกก็ฟาดปันกับพิเรกเวลาพิเรกตัวนี้มันดับลงไปแล้วคุยเคี่ยหาเพราะมันละเอียดพิเรกนั่นเล่มลราเป็นงานตลอดคุยเคี่ยหาก็เป็นงาน เจยพิเดลแล้วสู้กับพิเดลก็เป็นงานจ น, นกระทั่งไมามีอะไรเหลือทุกๆทีกอย่างแล้วคําว่า ง, งานก็หมดปัญหาไปอย่างกรรมฐานมีว่างานของพระกรรมฐานาทำพิจารณาให้มันตลอดรอดสัมทะลุปลุกปลงไปหมดแล้วมันก็หมดงานวิติกรมรมกรรมจะล่ยงหมดงานแล้วถึงนาพลังอิจายะจิประชานาจิยืนที่จะให้ยิ่งไปนี้ไม่มีแล้วนะหมดความเบ่งดูดถึ ่มันดึงดูดจนกระั่งถึงจิตไม่มีอะไรดูดก็ดูดอยู่ในจิตเจ้ของก็ติดเจ้าของเองติดจิตเจ้าของเองหนักเห็นไหมนำนาจของเสดมันดูดถึงขนาดไนที่หน้ากระดูดสิ่งนั้นสิ่งนี่ดูดทางรูปทั้งเสียงทางกลิ่นทั้งรสส่วนทั้งผัดถูกต้องเสน้อนอ่อนแข็งมันดูดมันดื่มไปหมดเวลาพิจารณากระจายไปกระจายไปมันคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆคลายเข้ามาคลายเข้ามาจนกระทั้งถึงจิตมันยังมาติดจิตอีกมาดูดอยู่ในจิตอีกดูสิเสดอยู่ในจิตอวิชชาว่าไง มันหมดไม่มีทางไปแล้วมันเหลือแต่จิตอะอวิชารุ่นๆที่อยู่ด้วยกันมันยังกระติกกันด้าเพราะไม่รู้เป็นอวิชชามันก็ดูอยู่นั่นดื่มอยู่นั้นยี่ติดอยู่นั่นทีหมอบอยู่นั้นไม่รู้ตัวสติปัญญาขั้นนั้นมันเผลอตัวไปได้ในที่เรื่องอำนาจไม่เห็นมันระเอียดขนาดไหนนั่นมันดูอย่างละเอียดไม่ได้อยู่อย่างที่เรียกต่างๆละมันดูอย่างละเอียดผมก็มันเป็นอวิชชาเป็นจอมห่างไกลพบเอาจนกระทั่งอันนั้นมัน แต่กระจายไปหมดแล้วไม่มีอะไรอู่ถึงหมดเหตไม่ได้ติดจิตเห็นติดจิตอยู่ไม่เรียกว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดจากความมึนดูนความมึนดู่ของโลกถึงอยู่อวิชชาคือโลกควงเลยหมอดอันนั้นแล้วก็หมดความมึนดุนอวากาศขงจิตอ่าแต่ไม่ตกเหมือนสการรล ะ, ะกัดเลือกหนึ่งสกัดแัะสะกัดบ้ามันขึ้นไปแล้วมันตก พินาศิพไพรใครก็คือความยกทิพพ่มันก็นลงทะเล ย, ยังดีไม่ฟาดเขาคนตึกยาม บ, บ้านเขาแหลกกระจาไปเปน็นกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้มันลงถุนอย่างนั้านเขาสกายลบสกายลกอันนี้เอาที่เราพิดเรนลงม้วนเสือไปเป็นไงถอยมันเปไง มหมดเกินมึนดุลแล้วนั่นแหละที่ในอวกาศของจิตเราเทียบก็ได้อวกาศของโลกในะอวกาศของจิตหมดความมึนดุลโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรดุแม้แต่จิตก็รู้เท่านะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันก็ไม่ดูดจิตเต้นกันติดจิตเต้นก็ไม่ติดสิ่งที่จะให้ติดจิตนี่แหละมีอยู่ในจิตนั้นจิตจริงจะติดเจ้าของจิตติดจิตตัวจิตตัวเองหลงตัวเองหรือตัวเอง เิเี่นเครื่องหลอกให้ถือมันหมดไปแล้วมันก็มีอะไรถือมีอะไรจะแบกมีอะไรจะหามมีอะไรจะเลืดมันก็เป็นนามากา่ายดดูอย่างนั้นน่ยในท่ามกลางโลกนี้โลกแห่งขันโลกแห่งหมูสัตว์กว้างไปกโลกแห่งหมูสัตว์แคกเข้ามากับโลกแห่งขังมันเป็นโลกด้วยกันมันไม่ดูอันใดมีอะไรเกมาันก็ยึบยึยตามมาการขงมันอยู่ท่านั้นมันก็ไม่รู้ความหมายของมัน แต่ล<ๆ>ูกร่างกายนี่มันก็ไม่ทราบความหมายมันนะว่ามันเป็นกายนะเล่าไปใส่ชื่อสนาใหมันแล้วไปหลงมันไปยึดมันเวทนาความสุขความทุกข์มันก็จริงแสีจริงทุกอย่างจริงแสียงจริงดีตามสภาพของเขาทุกอย่างทั้งขาทุกอย่างแต่ลนต่างทริพอจิตจริงที่อย่างเดียวจริงเอืมไม่ได้ทราบโอ้หจิตนี้มันทั้งโลกนี้มีจิตตออมันเดียวเท่านั้นทําให้โลกตออไปต่าังหมดเนี่ยเจคว้าคว้างโม่ พอรู้แล้วมันก็ปล่อยของมันไปหมอวัตตอยู่ที่ไหนของเหมือนดูถ้าเราจะยกสมมติขึ้นมาเหมือนดูคนเดียวว่ามั้นคนเดียวหมายถึงความรู้อันเดียวนั่นเนี่ยรู้นี้นพูดไม่ถูกใครก็ตามพูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยต่ของเอามสางสยัยน้องมาพูดไม่ถูก พูดไม่ได้ไมันข้าใจว่าพูดอะไรก็ไม่เหมือนนั้งทั้งทไม่สงสัยพูดไม่ถูกวางไงเอาให้จริงให้จังสวัสดิ์ขารธรรมนีสดสดร้อนร้อนทแท้แท้มัชฌิมาปฏิปทาสดสดร้อนร้อนเหมาะกับ การปราบกิเลสทุกประเภทดูตลอดเวลาเราอย่าไปคิดการหน้าการหลังาศาสนาเยวแหลมเลยตัวของเราในะตัวเยลแหลยมมันเยวแหลมจากความภาดความเปลี่ยนความมุสาพยายามมันเดียลแหลม้ปหมดแต่กิเลสก็ไมีอะไรใหญ่เท่าตัวเราอตัวมันใหญ่ไมว่ว่าว่าศาสหาเดียวแหลมเจ้าของเยวแหลมจากการประกอบผลงานความดีเพือเ่อว่าผลผ่านไม่ว่านี่มันก็ไม่ทำคนมายามั้งกิเลสอีก แก่ที่เดก็ต้องหาว่บายพลิกกันอย่างนี้ใช่ไมันเดียวแหลมอะไรเรื่องนี้แล้วที่เดชมันเดียวแหลมไหมล่ะทําไมจะเดือดแหลมที่ศาสนาอะไรจะทําให้มันเดียวแหลยมศาสนาถ้าไม่ใช่ที่เดชไปทําไปหลอกว่าศาสนาเดียวแหลมก็มาฟาดหัวมันพูดมันไปหลอกอย่างทีอฟันหัวมนลงไปศาสนาจะเดือดแหลมที่ไหนจอิงถ้าศาสนามีกําลังปัญญาสติปัญญามีกําลังที่เดชมันก็หมอบราดใช่ไหมมันหมอบราดที่จิตนี่แล้ว มันเป็นหมอกราบอยู่ที่กางมันจะถานที่ไหนไม่ล่าไม่ร้ามันมีที่ไหนเนี่ยมันหมอกราบอยู่ตรงที่นี่ตรงที่มีธาตุสุดธาสุหมึหมอกราบไม่มีอันนี้จริงจังไปพูดอย่างนั้นนะพูดเออนันนี้อันนี้ผมพูดไม่เป็นมันอันนี้ก็เป็นนิสัยอันหนึ่งของตัวเราเองเพราะการประกอบความเพียรมันก็เป็นอย่างนี้นิสัยมันเวลามันอบรมสั่งสอนมือเพื่อน จะพูดอย่างนิ่มนวนอ่อนหวานยงนั้นนั่งนี่นะของก็พูดไม่เป็นมันเป็นนิสัยนี่การปูกทรมานเจ็บของมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่นี่มาต่างสอนหมู่เพื่อนหรือดูด่าว่ากาวหูเพื่อนมันเพียงกับพรีนะเวลาดุด่าเจ็บของนี่มันเอาจิงเอาตังนี่นะดุยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยเอาจากนี่นะวางนี่เลยเหมือนเขาบอกฟันมันจะหักเหมือนกับฟันจะหักเจะเคเพื่อนไปไม่ได้นะว่างนั้นหนึ่งเพราะว่าอะไรก็เอาตายเพราะว่าเลย ตาตาจริงๆมันไม่ถอยเมื่อเริ่ตั้งอยู่ตรงไปที่ตรงไหนแล้วอาตายไม่ตายให้รู้ไม่รู้ตายมีเท่านั้นอย่างอื่ไม่มีให้ออกตามช่องที่เราให้ออกนะจะมาออกช่องไม่ให้ออกไม่ได้คําต่คำจริงนี้ถือที่สุดเนือคีตายขก็ตายนั่นก็เห็นผลนะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเวลามาแนะนำต่อสอนก็แค่อนินอนนสัมันเคยอย่างนั้นมันก็ต้องเอาั้นมาสอนอย่างเนีน ว่าอาจารย์องไ์ใดก็ตามท่านเคยนิ่มนวล่างท่านมาตั้งแต่ดังเดิมท่านก็นิ่มนวลกาประกอบความภาควเพียรทาก็คงจะเป็นอย่างนั้นเคยเข้มข้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยให้มูกเพื่อนี้เห็นเข้มข้นขนาดไหนคนเรได้พบเห็นังแต่แรกีโอ้มัตัวสั่งเนี่มองเพียงตาท่านเหลือบมาพับเท่านั้นมันกับเหลือตั้งหายไปแล้วตาท่านสำคัญมากะ ตามมีอำนาจด้วยเขียงก็ม ah ีอำนาจพูดออกมานี่แหลมคมเห่นขนาดนั้นกิเลกก็ไม่หมอบอย่างว่าอี่เวลาท่านมาสอนคล้ายๆท่านก็สอนอย่างนั้นผมเลยพยายามสืบเจาะถามเรื่องราวท่านเป็นมาที่เลยเป็นไงอะไรางนีโอ้โหเก่งคานี้หลายเท่าอันนี้จะว่าท่านดุท่านด่าเลยท่านลดลงเยอะว่า พูดไปอยู่ท่านมาแต่ก่อนท่านนั่งหนุนน่งน่โอ้โหท่านจริงท่านจังทุ ก, กทนนทอย่างท่านเนี่ยนี่ท่านไม่ไม่คิดขา้องค์ไนถ้าไม่ดีท่านไล่หนีเลยทช่ไมว่างนอาจริงเาจาังอ่ะพูดถึงพระมยาจงนี้นะพระเจ้า